9. ทุติยทุตทะโทสะศิกขาบทถามทรงบัญญัติสังคาทิเศษเพราะการอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรเรื่องอื่นเป็นเลสใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงราชครืถามทรงปรารกใครตอบ ทรงปรารบพระเมตติยะและพระภู ม, มิชะกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระเมตติยะและพระภู ม, มิชะกะอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรเรื่องอื่นเป็นเล่ใส่ความท่านพระทัพพระมลบุตรด้วยอาบัติปาราชิกในทุติยทุทตะโทสะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน3 ส, สมุดฐานละ